Van né ven van cop cop cai van mirar pa tan peril van que set ja el més sembra petit que hat del เอ่อคือในจิตใจ และอีกประการหนึ่งเป็นการ เพียงพระธรรมวิจฉิกวงศ์กองหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้มาแสดงธรรมณเก้าฟ้าจุฬาภรณ์เป็นประธานในการทอดกฐินดังงาน เอ่อพี่อาตมาจะได้เล่าเรื่องกรรมฐานเอ่อขึ้น Fon m'uang u-bun, m'a tan de bằng pràcha u-pa-sú-mu-t-le, có thể tàn chay, vật-tí-bật, nay samatha-kam-ma-thán, อามลวงปูมันภูริสัตตะเสละ กตังเวสิฏฐานุสสติลุ่นที่ 1 คือหลวงปู่สิงขรตยาคโมและท่านมหาเป็นซึ่งเป็นน้องชายปัญญาปโรเปรียญ 5 ประโยคที่วัด ออกปลเยี่ยมบ้านแล้วก็ไปสนทนา รังโพมาเป็นก็ดีได้เป็นอ่ารังโพจึงกัญญากมอเป็นกมวาจาจานของอัตมาท่านอาจารย์มาเป็นปัญญาพระโรปริญ อพระโกวิสารอรัญญเกษตัญเจมิโยแบ่งของอุบนและ a-cha-ma-p'in. Bà-ai-on-lai-thàn, Chà-c-ma-ng-u-buồn, Để-tăng-còn-thắp-thàm-khinh. Né-go-thè-đen-thú-đôn, thà ma chô หลวงพร 372 ก็ได้มาตั้งกองบรรจการกองทัพธรรมขึ้น que Sasha ha de constituir enковic According, i Comeijk chapter ¨regard en quin�� a baiglit hypotheses a prohibit socis ieri queDe switchedow. Abell Dakar saliva qual protestant variety a conceivar, to help เรียกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ขอนแก่นร้อยต่อจากนั้นตระดินซึ่งเรียก ทดลองก็วัดเจนจังที่ขนแก่นชุด เสบาสักข์พระบรมภพแล้วก็เกิดจิตเริ่มใสตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรม ในทางปฏิบัติทางปฏิบัติขัดเกาจิตใจของตนก็มายัตติเป็นกนาสมยุตว่ายัตติ หลวงปู่อานาธิลิหลวงปู่คงมา Fai thamajut ของเรา gau que naa khuyn naa khuyn de gò naa jang wad khon ke n m'e p'e p'e ng wad si chan wad de o p'e wad thamajut p'e k'a na nung p'u s'ing nung p'u ma p'in ma p'u p'e p'e ทางวัดดอน 300 กว่าวัดไม่ไกล Vè l'anè, s'yayang heu hiu maig, gò c'è Chungot-Sakonakhr. S'wòn nòp n'anè, gò fai xàm kò dìyat l'a. D'anè, nè, wà nè, t'yayà, t'yayà, dà i nà, pbàt à tà tà tà tà à à à à ที่วาทบรมณิวาทว่า พ.ศ. 75 76 เชิญหลวงปู่สิงห์หลวงปู่ ปฏิบัติทางกรรมฐานเทวบรรรมนิยาดนอก มีปัญญาพิสระเถหนูยังเป็นชาววาศเป็นคลุมอุปวรแล้ว Bé m'a créu, Chuan thân per i, Thân bèi phai trần càrx, Trứng m'oan in dia, Bé càp ma leo, Càp pa chàng con ma, Bèi phai phai phè, Thàn trăng mật, Thàn tra buri, Có l'aixàng vắt, Thàn hoa, Khinh per l'aixà, Bà man มาอยู่จันทบุรีประมาณ 10 ปีแล้วก็นั้นก็ได้เฒ่าเสียอาตมาได้สันราและพบกันเฒ่าที่ทั้งหลายอาจจะผิดพลาดบ้างล่าจากนั้นเมื่อทัน แหมนี่คือเป็นที่ลาภล่มเป็นคือคุณแม่จิมหงได้ถวายที่เป็นที่พักสงฆ์ต่อมาก็เป็นสํานักสงฆ์ต่อมาก็ ตั้งชื่อเข้าดูคณะกรรมการมหาราชรัฐ กล่าวโจอาจกอหาราตมาตั้งเป็นชื่อวัดได้ก็ได้รับพระศาสนบ้าวัดสกาลก็มาก็ได้ขอพระราชสาริสงฆาบดีว่าก็ตั้งเป็นวัด เผียง 55 ปีฉะนั้นสังขารของท่านในคราวนี้สังขาร com a la l'eux, n'eux-t'incova-chàl, Pai-kava-thàl, Chuyent-m'i-pà-thi-pà-thà, Pà-thi-bà-thà, Nà-hi-s-s-t-o-ng-kava-th, Pèrn-jà-ng-gì-ng, s i ng จิตใจของเราให้ละจาก pan cittiko ahenda kalem mai luek kan mai luek wela opanayiko hai nom tham phao ma ha tai paccattam vinyo hi เอ่อสมเด็จพระสมุจิเจ้าแลสงฆ์สาวกแม่หลวง ปกเดือนเอกกรา 97 ได้สมราชากรก็เป็นรองสมเด็จพระชนานได้กรุณา หลวงอาตมาบัญสนปิยติสามเชวททวาสสัมอ่าอัมพังจัง บ่มหาเสงมาต่อหลังท่านเป็นโยคุนยะกุนาตาน ถ้าไม่รู้กิจใจของท่านไป ทำบางคนจริงคนจังทําอะไร ไอ้เวลา Dòi xuân bạc, ho tí xì, thân tửng khứn ma, đầy mè xao leo, có phải hã khót làm quốc tị phát, lét lên noi, hai tửng khứn ma, đã có phải đôi trong cung, đầy viên la có ở viên thơ bạc, mùa mà viên thơ bạc, cặp ma có สามวัดปาดังนั้นอาตมาสังเกต กาลนั้นกราจารย์ได้คืออาจารย์ปานอาจารย์เตต พวกผมประชาบาทสันดูก็ก็คือสมสุข Thangka-le-nit-la-yang-ma-g l u chak vap k an ท่านสามารถรู้จิตใจของคนอื่น พระนอยวนต์จึงให้อาตมานั่งสมาธิต่อ 7 วันดั่งเป็นหนุ่มก็ว่าจิตเป็นอย่าง ท่านก็ดูอะไรหลอกเวลาเมื่อก่อนจะกระทั่ง 6 แล้วท่านให้พิจารณาว่าจิตมัน อันนี้เรียกว่าอานิสงส์แห่งการอายุ 29 ปีกําลังเป็นหนุ่ม ก็มาปฏิวัติตอนอยู่ต้องก็ตั้ง 96 ปี 1 พ.ศ. 20 ตุลาคม 97 ปฏิบัติถึงแม้ กรรมฐานสะเทือนน้ําจะเตือนบอกก็มีสุขภาพร่างกายพอมา มีเมตตาสูงยิ่งยายจรัสใสโยมเสมออาจารย์อ่อนดานติเล่เป็น อาจารย์แท้กับอาจารย์อ่อนคุยสัมมากะวัฏ 7 ปัญจมติมันเป็นอย่างไรอย่างไรที่เจ็ดได้ Rukhaka-la-au-ho-la-tronkant-deh. Sili-a-chan-fan-pengkont-chayen. Hei, kan-ku-ho-la-nengkan-i-va. La-ha-mu-ve-gan-la-hi. Puntut-ta-ku-ho-la-kan. Ani-tau-ti. vacan ma lao su เพื่อจะได้ตั้งคือเมื่ออารมณ์ส่วนไรสัมปชัญญะรักษาใจของ ร่างกายหมกทางเล่นใจเป็นใจใจเป็นผู้ยึดใจ เราเกิดมาได้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างไร แต่เรื่องจากบุญเก่าที่เราเคยได้กระทำมาบาปัจจุบัน ได้คําสอนของวาจาฝ่ายคณะกรรมฐานส่วนฝ่ายปริยัติสังฆ์ฝ่ายวัดบ้านการสอนทางจากทางคณะกรรมฐาน กัปโลจะใจอยู่เสมอเสมอให้เดินเดินนั่งนอนเจริญสัมปุจจให้มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาถ้า Pàtti Bàttam, com sòm, com passama-xam-put-hi-cha. Sâm bà, pèm-càn-hi, con lau, gret-ma, có tòm-càn. Hà, quen ngàm com di sòe-son, hãy bác chìa-xu-thau-thi-cham-a-gay. Iek jàng มันทางเข้าของเลือกสวน โชอัฏิจติตตามดวงใจของเราไปได้ก็ โมหาที่ฝังอยู่ในใจมาตั้งหลาย กล่าวว่าเยี่ยเจ้าจงก็ได้รับแหล่อ่านประวัติ ก็ฉะนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่า ได้อวิชชาท่านตัดไปหมดถ้าว่าผู้ พระอาราธนาท่านตอนอายุประมาณ 60 เศษเรา เลยอัตมาก็จําไว้ไม่ลืมจะก็ บวมาดูในสังขารร่างกายปรารถนาภัยทั้ง ละมากก็ถึง 90 ก็ ในที่สุดนี้ แลอำนาจกรติรัตนตาจะได้ปกป้องคุ้มครอง B'gobroi phan chai sang chì b'gobroi. Mi ayo vanna yok kāpala tālā kāra